วันนี้การรู้ลมหายใจส่งผลเป็นอุเบกขาทำไมจึงส่งผลเป็นอุเบกขาเพราะว่าจิตกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตไม่มีการมาไม่มีการไปจิตก็จะกลับมาตั้งมั่นขณะที่เราเดินแล้วก็กําลังจะเกิดความคิดปรุงแต่ง แล้วละแล้วกลับมารู้ลมหรืออยู่กับการเดินคือกายคตตาสติสังเกตไม่ว่าการเปิดเป็นอารมณ์จะเกิดไม่ได้ถ้าราคะในรูปธปาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้ว อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็จะไม่มีพระเจ้าให้เอาวิญญาณมาตั้งไว้ที่รูปเพื่อให้มันขาดลงจากเวทนาสัญญาสังขารแต่ข้อนี้ต้องยอมรับว่าท่านพูดถึงพระอารหันต์แต่การจะเดินทางเข้าสู่ความเป็นพระอารหันต์ท่านให้ตัดสี่ขันก่อนอย่าให้วิญญาณไปตั้งอาศัยในในอ่ เวทนาสัญญาสังขารให้ตั้งไว้ที่รูปอารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณคือความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่งอกงามหลุดพ้นเพราะไม่ถูกปรุงแต่งผมให้ท่านลากคือมันปรุงแต่งจิตท่านไม่ได้ พอตนแต่งปรุงแต่งจิตไม่ได้เพราะหลุดป้นไปก็ตั้งมั่นพอการปรุงแต่งเข้ามาปนในจิตไม่ได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งมั่นก็ยินดีในตนยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเรากำลังฝึกเพื่อจะเดินไปที่ปลายทางแล้ว ถ้าทำอย่างนี้จริงๆมีใครสักคนทำอย่างนี้จริงๆตลอดสามวันนี้ผมว่าไม่เกินวันที่สี่ท่านรู้เรื่องแน่ธรรมะของพระเจ้าต้องการคนจริงแค่นั้นถ้าทำไม่จริงก็คงทำกันมานานแล้ ว, ลวหลายชาติแล้วลองบอกตัวเองทำจริงๆสักชาติเถอะพอขี้เกียจก็บอกว่าเอา้เอาขี้เกียจ ต, ตอบเอย เดี๋ยวชาติหน้าค่อยมทาทำแล้วกันฮืดนๆหน่อยนะพๆหน่อย